ท่านก็ยริงท่านนั่งนุ่งผ้าขาวผมผ้าขาวนั่งชักลูกคำอยู่ตัวตัวองค์นนพระเจ้ากระสินนะใช่พระเจ้าท่านรอนึงก็เลยไม่กล้าเข้าดิดีวิธีหาวนะ่าขบวนน่ะมันขัดดาบมะนมี่มีมีกฎหมายแบบเก่ามันเอาแน่ไม่ได้นี่นะ<อ>ท่านก็ไม่กล้าเขา้าแะมองเห็นเขาบอกเขาด่วงเนอะเอามาดิเอาดาบเข้ามาด้วยรอนึงท่าเลยนั่งลงคขานเข้าไปาชักดาบมาพุ้งหัวขนอกตอกัวข้างนอกห้องนะ ท่านก็นเลยถามว่าด้วงเองอยากเป็นพระเจ้าแันดินไหมท่านรอดเลยว่ายบอไม่เคยคิดนะพระเจ้าตถาสิงก็เลยบอกว่าอยากเคยคิดหรือไม่เคยคก็ตามเจอเธอเนียต้องเป็นพระเจ้าบผนดิน เ, เงินสําหรับพระเจ้าแผนดินใช่ฉันกันไว้แล้วเงินสําหรับใช้หนี้ใครา ก, การคือเบว่าจุนะไม่ไม่ร่อยกันปีนะแข่งกันไว้แล้ว ได้เงินใช้ส่วนกลางก็กันไว้แล้วแต่เงินชําระนี่เจ็กไม่มีนี่เหรออัน น, มมนัท์ก็ไ ม, ม่ได้ก็ไม่ขาวอย่างเดียวแล้อีกไม่กี่เดือนนะักเขาก็จะมาทวงนี่เพราะในดอกเบี้ยไทยเขาไม่มีให้<อ>เป็นนะว่าเธอจะต้องเป็นพระเจ้าบผ่นดินเอานี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าเวลาที่ประเทศเขมรแข็งเมืองเธอจงยกทัพไปปราบเขมร และลูกชายสองคนก็เันไปด้วยถ้าปราบขามเรได้ไม่ต้องเอามันมาให้มันคลองที่นั่นถ้าเธอกลับเข้ามาคลองกรุงธนบุรีคล อ, อ, องประเทศไทยต็น <c oughs> แรกตอนแรกรอนึงก็ไม่ยอมรับนะนั้นแหละท่านบอกทางจิงก็ต้องยอมรับตามความจำเป็นนะออเอาอมาลูกเอ้ยสบายได้เลยสบายเลยเามาจ้าโชกดีมีตัวไปรวยนะ เอาค่อยรวยมากๆศาสนาสมบัติทุกอย่างนาจ๊ะเอารวยมากๆลูกเอ้ยโชคดีมีสุขเพียงเพงนาจ๊ะเอารวยรวยศาสนาสมบัตทุกอย่างเยนะโชคดีมีสุขรวยมากๆรวยนจ๊ะตมลูก อ๋อรวยนะจ๊ะขาโชดีมีตุกนะอ๋ะอวยรยโชดีมีตุกนะจ๊ะอ๋อวรอวยมากๆหลังจากนั้นแล้วท่านบอกว่าถ้าเธอยกกองทัพไปเขมนนะตาลาบฉันจะบวชย่แกล้งทำเป็นคนบ้าอ๋อี่บอกแผนการให้แล้วเหรอเนี่ยหม ด, หดเรียบร้อยทุกอย่าง แผนการทั้งหมดเป็นของข้าราชารตัดสินองค์เดียวไม่ใช่ของข้อดวงเลยเหรอไม่มีเลยโอ้โระทับข้อใจไปที่หมดเลยประวัติศาสตร์เออท่านเล่าฟังนะผีเล่าฟังนะนีเล่าตามผีนะประวัติศาสตร์ผีแล้วก็จริงๆไปตายโน่นนะครับท้ำาดกันเป็นพระไปตายถ้ำยังอยู่พระมหาจารย์ตัดสินนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลวพอจะออกรบละอาจจะเอาให้ลูกชายไปด้วยละเอาลูกชายไปก็ไปรบพอไปรบท่านนี้ท่านกบฏ ๋บวก็แกล้งทําเป็นบ้าเอาพระมาพระที่มีความผิดที่ไหนใช่ไหมเอามาสอบสวนตอนนี้ก็เมื่อมเห็นว่ามีความผิดจริงก็ลงโทษเขียนแต่ความจริงไม่จะเขียน่ะเอานักโทษมาห่มผ้าเหลืองโกนหัวเข้าเขียอปลอมตัวชาวบ้านเขานึกท่านบ้ายจริงนี่เขียนพระเนะเราอาจเขียนละนี่อันนี้แนบเนียนมากนะนต่อมาพระยาสันบุรี เอาใช้ให้ไปทรงนี้ภาเสียรกรอยนยุติยาอมาไปเข้าโคจิยามาขบถยึตอำนาจจับพระเจ้าตากสินเอาจริงๆอิความจริงเวลานั้นขันกันนาจารของท่านจะสู้ท่านบอกยาสู้เลยไม่ต้อสู้หรอกรอถ้าสู้พยาสันก็สู้ไม่ได้โดยเดีเยดจ้ะ<อ>ก็ยอมให้พยาสันจับพญาสันก็จับขังตอมาพระยาภัยหลันพระเารอนหนึ่ง อ, อยู่นครราชสี ม, มา<อ>ทราบเขายกทัพมาจับ พะยาสันฆ่าซะเลยอเจ็ดไปยหนึ่งเจ็จเป็นหนึ่งเลยนะหนึ่ง <laughs> <1 S 2> แล้วให <laughs> ้ข่าววุ่นวายในเมืองเกิดขึ้นเขาแจ้งไปรอนหนึ่งม่ธัญญตีคำเม็งก็ต้องยกทัพกลับพยยกทัพกลับมาแล้วมาถึงวัดสเกตวัดสเกตเดิมไม่เรียกวัดสแกแกเกตหมายถึงที่พวกเขาท้องหลาบใช่ใช่ชื่อเดียวชเดิมชื่อวัดสแกวัดสแกเมื่ักดผมที่นั่นเรียกวัดสเกต อเขาก็ต่างคนต่างก็ไปเชิญให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่แรกท่านก็ไม่ยอมรับแต่ว่าเขาออกไปบอกให้ให้ด้วงยอมรับนะอใครได้กสดไปแม่งั้นต้องใช้นี่เขาอ่ะโอที่ตรงนี้เองเหรอใช่ก็เป็นนันว่าเมื่อท่านรับแล้วก็เข้ามาเข้ามาก็มีคําสั่งประหารชีวิตหมายถึงเขาต้องจะประหารีั่งสั่งประหารชีวิตตั้งแตตัดสินอ๋อคำสั่งในขาดค่าให้ตาย ไม่ได้พระราชาขาดเมตตาเนี่ไม่ได้ไหมครับครับไอคนตายจริงๆนั้นไม่ใช่าการพระเจ้าตากศินนักโทษประหารชีวิตพุธโอ้พระพราชาเราจะฆ่าเขาใส่กรสอบใครเห็นหน้าหรอโอ้ไม่มีนะ ต, ต, ต้องทุบวยท่อนจันใช่ไหมใส่กระสอบอให้เกียรติถึขนาดนั้นใช่ให้เกียรติที่ตอนกลางคืนก็เอาพรเจ้าตากสินป์ไปส่งท่านต้องกลายเป็นครศรีธรรมราชก็างคืนก็ยกขบวนไว้ออกทางปากท่อนนะัน่ะระขบวนใหญ่พุธโอ้ พอตากถึงได้ก็สอบสไม่ใช่ตากไม่ให่ไม่ใช่ตากนี่เราตามผีไหลฟังนะกับประวัติศาสสีเอออันนี้ตอนนี้พอไปถึงที่นั่นแล้วก็ลูกชายท่านไปสองคนหนึ่งให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชอีกคนหนึ่งให้รัพย์เป็นพ่อค่าสาําเภาเลี้ยงเพื่อเลี้ยงพ่อถ้าจําถึงอยู่รอหนึ่งก็กลับก็กลับมาแล้วภายในไม่ช้านักเจ้าสัวก็มาข่าวมาแล้ว เจ้าสัวจะมาทวงเงินแต่มันผัดแผ่นดินแล้วนี่มันคนแผ่นดินไม่จะสืบสันตติวงศ์เห็นไหมครับประเทศนี้เรปราบดาพิเศษอาจจะไม่รับที่ก็ได้แต่ถ้าไม่รับในการใช้หนี้ก็เสียศักดิ์ศรีดีไม่ดีเจ๊กเหยียบอประเทศเจ๊กเขาโตเห็นไหมปรับปราถ้าใช้หนี้ก็ไม่มีเงินจะใช้เลยเลยจ้ั้งอื่นทั้งร่องเลยหนักเลยเออเอออันแนีะ โชคดีไม่เลยอาจจะเออธรรจะเตีดีมากดีมาจ้ะก็ก็เอางานอยู่ระหว่างเขาควายแล้วเขาบัวเขาบัวก็เป็นว่าทราบข่าวว่าเจ้าสัวมาใกล้จะถึงสัตหีบสัตตะแปลว่าเจ็ด อาีเป็นภาษาบาลีเลยนะใช่ใ่อ๋อแล้วตัวหลังเป็นภาษาไทยครับหน้าบาลีหลังไทยนะนคจะไปฉีดเจ็ดลูกครับก็มีกองทัพไอกองอะไรเท่ากองอะไรองเท่าไรตะเจเลยก็ไอของเราของเขาลาดตะเวนก่อนไม่ใช่ไม่เป็นเจกองเท่าพจน์จนโจรสลัดโจวสลัดเลยจ้านั่นกนาโจนสลัดจมหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวอ้าวรวยรวยรวจ้าโชคดีมีตุนนะรวยอ้าวรวยมากๆโชคดีมีตุนนะจ้าทางมังจ้าอ้าวเล่นเยรวยรวยรวยโชคดีมีตนะจ้าอ้าวรวยมากๆโชคดีมีตนะเอ๊ะทำไมจำแม่นจังนะแต่เราคนมาเนี่ยพักเปี้ยเปี้ยเปี้ยเลยรวยรวยยให้หลวงพ่อโอ้โห ขนาดอายุมากๆยังจําแม่นนะครับก็จำนี่มันจำไม่อยากแต่ห้ามถามชื่ อ, อเออ๋อไอ้ที่เอ้ยเอย่ารวมรวไปก่อนนั่นแหละอย่าอย่ามาถามชื่อชื่ออะไรนะอห้ามถามครตาตะแปล ว, ว, ว่าหีบนะหีบตาตะสลีบนะครับก็มีโจรสลัดกลุ่มหนึ่งไปทางเรื อ, อล้นเจ็ก เจ๊กที่ว่ามาจากเมืองจีนนั่นเหรอใช่แจเจ้าสวนะอล้อนเจ๊กฆ่าตายหมดอของที่มีความสําคัญเอาสระตังเอาเอาขึ้นบอกแล้วก็จมเรือพราะสองส้งปีนี้เขาเคยเข้าไปเจรือที่นั่นอเรือที่เคยล่มสมัยนะักพิโจนง็จได้ของเก่าๆอยู่โอ้โนี่ก็ยืนอย่า ง, งจนสลัดพวกนี้มาจากไหนรู้ไหมครับคงจะอาจจะมาจากอ้ามาจากป่าอมีตัวด้วงไปหัวนหน้า นี่นี่นี่เองแหละนี่โอจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้ไม่ผิดกฎหมายจะโวด้วงเหรอไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนนะนี่ก็เลยพัพกันไปโอ้แปลภาพกันไปเจ้านี่ก็ไม่มาทวงครับก็ไม่ต้องชําระตอนนี้ก็คอยอยู่นั้นน่ะนะขอยเจ้าหนี้คอยครับไม่มาสักทีนะ ไอ้เรือไอ้เดยลูกมือทางนี้นะนายธนาคารนั่งนั่งคอยมาเรียเจ้านายจะมาสักทีไม่เห็นมาออแต่นายดีสุดก็ไม่เป็นไรเขาบอกตัดบัวจงอยาใบใหญ่รวยเลยจ้ะที่เหลือตอนดีสุดก็ไอ้เจ้าสัวในนี้ที่เป็นเป็นเป็นลูกไอ้เป็นลูกมือขึ้นอยู่นะาถ้าถูกคนล่อล่อฆ่าค่าตายออ หมดเลยโอนี่เก็บลากพนาสูดไปเลยใช่ใช่ก็แปลว่าเสด็จราชบัแบบสบายใช่ไหมสบายแต่ก็ไม่สบายนักตอนนั้นก็มีพระญาพิชัยดับหักเขาอยู่เมืองวิชัยโอเขาเยอะพวกนี้ก็เพื่อนกันหมดเป็นคนรุ่นเดียวกันเป็นแม่ทัพเหมือนกันนะเลยรวยจ้าเพื่อนๆกันรวยรวยนะจ้าโชคดีมีโชอ์โห่รวยมางๆนะจ้าเออยเอ้ยเลยที่เกืบจําหน้าไม่ได้ ไอ้ค <laughs> ันโดนหน้าจำได้ได้คนเดียวรวยๆนะจ๊ะอมันงงลรกอ้าวรวยๆนะจ๊ะสอดีมีตัวกเลยรวยมากๆแต่ละครเรื่องนี้มันน่าแสดงมั้ยอันนี้ประวัติศาสตร์ของผีนี่ครับเล่าได้กว่าเยอะเลยใช่รวยๆนะจ๊ะ ถ้าจะแสดงก็ไปถามแม่ชีวรมยัยรู้หล oh, oh. ังขาละเอียดดีอตอนนี้ก็เป็นอนุาาบาทพระญาวิชัยยกกรุงทัพมาจากเมืองวิชัยอ่ามาตั้งที่บังกะปิอ oh, <okay>. okay. ช่ไหมครับครับเขาคิดว่ารอเข้าได้ทึ้งฝาข่าวว่ารอหนึ่งข้าพระเจ้าตากสินก็โกรธ oh. ก็เพื่อนไม่น่าจะทํากันเลย hmm. ไม่น่าจะขบวแบบนี้ใช่ไหม oh, พอพญาวิชัยกับ รอหนี่เพื่อนกันเหรอก็เพื่อนกันพญาตัดสินก็เพื่อนกันเพื่อนกันทั้งหมดอ่ะทั้งสิบคนกว่าโอแต่ว่าไมด้ต่อได้ไม่ต่อได้นะต่อแลกโหลดแลกเพราะฉะนั้นคณะรอหนึ่งก็ออกไปสามคนนั่นมาทั้งกองทัพนะคณะรอหนึ่งออกไปสามคนไปถึงสามคนก็ถามว่ามึงมาทาไมวะพญาติดชัยบอกว่าที่เขามึงฆ่าท่านใหญ่เขาเรียกท่านใหญ่นะพญาตัดสินเียท่านใหญ่นับถือมากจริงนะใช่ มึงฆ่าท่านใหญ่เลยกู อ, อยากได้สมบัติมันกันนีกว่ า, ากูยังเอามั่งิที<อ>มึงเอาสมบัติกูจะแบ่งมั่งครับครอบหนึ่งก็ถามว่ามึงได้ข่าวจากใครอ่ะเขา้าเจ้าศัพท์ภาษาไทย<อ>แทนนะมึงได้ข่าวจากใครคก็<อ>เข้าลือกันว่าข่าวลือไปทั่วประเทศว่าพระเจ้าตากสินตายเพราะมึงฆ่าสังฆางาั้นพยายามไปใช้รอบหนึ่งก็พบมึงลงมาจากคอช้างลงมาคุยข้างนอ ก, นอกห่างคน ท่านกระซิบบอกความจริงให้ฟังเวลานั้นยังไม่ไปส่งพระเจ้าตากสินใช่ไหมโอ้ยพระเจ้าตกสินยังอยู่อยยังอยู่งอยู่ยนในวังเจ็ดเงียบไปก่อนข้าตายแล้วอ้ยตายแล้วไม่ได้ข้าตายอลไออกไม่ได้ไอคนเห็นไม่ได้นะตายงแก่แล้วนี่ยรับจ้าตาินยรพระเจ้าตากสินตายเดือแต่พี่ขุสินพี่ขุสินอยจริงจตักสินตายไปแล้วเหายไปแล้วสินตาี่ขุไหครับ ในพระยาเขาเลยพาพระยาพิชัยเข้ามาพบพระเจ้าตากสินก็เล่าความเป็นมาให้ฟังเขทรบาบความจริงก็หายโกรธก็ยกทัพกลับตอนนี้นก็มีปัญห า, ยาอยู่ว่าทํำยังไงพระญาพิชัยรับราการต่อไปถ้าเป็นแบนนี้รับราชการต่อไปไม่ได้ใช่ไหมทำไมล่ะครับเขาไปรู้วถือว่าเพื่อนข่าเพื่อนไห้ข่าวมา<อ>ันนี่นนะก็ปเป็นละข้ออีฉากมึงออ๋พระยาิชัยก็ยกทัพกลับแล้วหนึ่งก็เรียกพระยาพิชยัยกลับมาเฝ้า <ม>นนหนึ่งชนิดเป็นเป็นล ะ, ระนครนละครนะครละครเอาเฝ้าคอยรับราชการต่อไปช่วยกันช่วยบ้านเมืองบ <สะ S 2> พี่ช่บอกว่าไม่ต้องการไป็่าสองเจ้าเป่าสองนายโอ้โ ห, โหลอหนึ่งก็สั่งประหารชีวิตเอาอีกแล้วประหารอีกแล้วคน อ, อื่นตายแทนอีก <laughs> <laughs> พญาพิชัยเอาไปชื่ออื่นต่อไปใครแพ้แไปตายแทนนะพญาพิชัยจริงๆเขาเป็นพญาอื่นต่อไปอ๋อเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงอื่ พอเดื อ, อเราเข้าใจแค่ภาษาแต่ว่าเอาเอาตอนจบสักนิดจะย้อนไปตอนตอนตอนกลางอีกหน่อยาบาปบาปบาปเอาตอนจบตอนที่ทานจะกลับท่านบอกเวลานี้ทีห้าครึ่งแล้วจริงเล่ลเลาละเอียดมากเลยเรื่องราวเยอะแยะแต่ไม่อยากจะไล่บบฟังเสียหายฉันบ้าบาปบานีนก็บ้าเยอะไปแล้วไปไล่แล้วพ่อเอาแค่บาปขึ้นตัวพอเรื่องของศรีเขาเรื่องแฉ ร ว, วยมากโเออจุดนี้มีตนักจักรอ่ารวยมากๆเขาบอกอะไรทุกอย่างนะพะเจ้าตัดสินนั้นประธานาพุษฐภูมินะ ร, รยวยนะจ้าเวลานั้นพระโพธิสัตว์มีมากจึงรุชนะง่ายโอเรียกว่าในทีมติดท ห, หารเสือพระเจ้าตัดใช่คน ใ, ใหญ่โพธศสัตว์นั่เนเองก็เป็นนังนว่าตอนเช้าท่านจะกลับ รอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปแล้วหมอจะสว่างแล้วนี่เดี๋ยวใครมาไม่เห็นเท่าโอ้ผีกลัวคนเห็นแช่ชนะอย่างอื่นได้เพเดี๋ยวเพื่อนพยาบาลมันจะมาไข้กุญแจประตูอ้เพาเดี๋ยวมันจะเห็นเข่าจะยุ่งมากแล้วท่านก็ไม่ได้นอนทั้งคืนมันจะาผมแกล้งท่านบอกเจ้เพิ่งไปดิถามทำไมล่ะเยนเเยนเพราะไอ้เด็กๆพวกนี้นะทั้งหมอทั้งพยาบาลน่ะมาชอบเล่นหวย มีเลขหวยไหมเล่ะแน่แล้วบอกเอ๊ะสมัยเรานะ่ะมันมีแต่หวยจับยี่กีไอ้หวยประเภทนี้ไม่มีแต่ไม่เป็นไรท่านเมันมีตังใช้ล้วผมมีตังว่ายีาตังล้วงกระเป๋าโดนเป้งไปใต้เตียงเห็นเลขยี่พ่าเจ๋อฉันก็ไม่ได้คิดว่าเป็นหวยทำอะไรเยอยะจ้ะ อ, อ๋รวยๆโชคดีมีตุดยอะนะ ออกสิทุกเด้อเอารวยมากๆเด้อเอ i โชคดีมีสุขเจ้าเอารวยมากๆโชคดีมีสุขสุขเจ้ i เอาร i ยรวยเออทำออกมาได้รู้ออกมาสุจ้ารวยมากๆัดงาสมทุกอย่างไปไว้จ้เออาโชคดีมีุวยนะจ เราเข้าหนูไกเอ้ยมากๆปัญหาสมบูรณ์อย่างนี้อ้ารวยรวยลูกเอ้ยโชคดีมีตัวนั่นอารวยมากๆปัญาสิ่งใดเขได้นั้นท้องความปัญหานั่นจ้ะรวยรคอยโชคดีมีตนะ รวยรวยเออโชคดีมีตัวตาแก่อ้ารวยรวยตาแก่เออรวยมากๆแขก็สุดแขนนะยืดเลยสุดแขนนะอ้าวรวยรวยจะยกใจโชคดีมีตัวตาอ้าวรวยรวยนเออโชคดีมี น่ารวยมากๆปรารถนาสมหวังทุกอย่างนะเออ่าเป็นอันว่าหลังจากท่านโยนสตังค์ให้แล้วนะค ร, รับท่านก็หายไปไม่ต้องไม่ต้องเปิดประตูออกไม่ต้องเปิดประตูออกออกหรือไม่ออกมลยหายเฉยๆโอ้นะครับตอนเช้าเจ้าพูกเจ้าจาบานมันก็ปเปิดประตูแล้วก็คุยไปคุยมาถามว่าออครับเมื่อคืนนี่มีอะไรไม้างหม กระจายกระจายเขาถามว่ามีอะไรบ้างไหมบอกเออเห็นพระเจ้าตรัสินนั่นมาว่ะเหานมาว่ายังไงไปเล่าเรื่อยๆให้ฟังเรย่อยๆกันนะถ้าเล่าละเอียก็ต้องเล่ากันวันเลยเลยเจ้าแต่ว่าเวลาท่านจะกลับท่านบอกกับท่านไม่มีตอนท้ท่านมีมา่ี่พลาดงทานโยนไปใต้เตียงถ้านั้นนะมันร si ู้เรื่องเราไม่รู้โอ้โหไม่ไปคิดเป็นหวยไอ้เล็ก ติดท้ายสองตัวสองตัวรัฐบาลเอาทางล่างใช่ไหมรัฐ บ, บาลก็ดีแล้วรัฐเขียนด้วยที่ <c oughs> เ, เป็นนั้นว่าธรรมจ่าเอกออกจากรายการเนหนึ่งคนนาสารโอ้จํา ม, ม่าไม่ใช่ถูกไล่ทำไมอ่ะมันได้กสีตังกระสอบกรสารหมายถึงว่าที่เอาเงินไปถูกหวยเลย้วหว<ช><ล>ยตกหวยอะไรโอ้ โ, โ, อ โ, โ ห, โหลาออกเลย ไม่ใช่ได้<า>ไนะอดีตเจามันแค่จเองได้แค่จาา่าเองไปทัแล้วไม่ได้แต่มันไม่ใช่ได้ไงโอ้โหถูกะตนั้นไม่รู้เลยเแต่ตอนลุกขึ้นรู้สึกคตังมาเยอะตอนนั้นยังเข้ารงยไม่มีตังคนะ์เลยปบติฉันไม่มีตังค์เขานะตังค์ให้เป็นส่วนตัวแต่ยินถือมุ่งของสงฆ์หมดอที่ถวายถวายมาเนี่ยถือมุ่งของสงฆ์หมดเพื่ออานิสงส์มาได้ญาติโยมใช่ไหมอ๋อกล่าวครับแได้อานิสง์ใหญ่ เวลาเข้าโรยบาลจริงๆก็มีตังอยู่ไม่ใช่มีมีตังเลยมียี่สิบบาทโอโ้โหแม้สายก่อนหลพ่อรวยยู่ขนาดนี้เหรอไอยี่สบาทที่ต้องประจำกระเป๋าไวเราอะไรไหมครับถ้าใครมันจุดทุบอย่างน้อยวันที่สาต้องถึงไม่รู้แล้วก็เป็นเหตุผลไม่อยากไปเฉยๆใจุดทุบเรียกนะเดี๋ยวนี้ไม่เอาแค่จุดเท่าไหร่ไปไป มุกจะจุดหลายดอกหลายครั้งหลายหัวก็ที่ตั้งยังไม่ไปแตไปไม่ไหวมันก่อนยังนมอยู่นี่อ้ยยี่สิบาทแล้วเพื่อค่ารถเครื่องเรือทำน่นเองกลับจะเดินทางไปใช่ใช่เหรอใอ่ใช่ใช่จุดทั่วไม่เกินสามวันถึงแล้วแหมคิดว่ากลับไปจะลองลองจุดได้ไม่เป็นไรครับลูกมีที่บ้านแลยคอับอ๋อให้ลูกลูกทํางานแทนงั้นแหละงั้นก็ตกหล่ว่า พอร่งขึ้นก็ถูกกันกันเยอะแถวๆนั้นฉังก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันเอาอะไรตังมาให้กันทําไมวะสรุปแล้วเงินได้สี่ห้าพันบาทเอาพวกมึงเงินเดือนเท่าไหร่วะถ้าตังไหนไม่ให้กูตังยี่ห้าตังครับให้เราไม่เอนึกไม่ออกตังเราเป็นยี่ห้าตังที่ไปแจ้งตัดสินโยนใต้เตียงอ่ะถามทาไมไม่ออกสองตัวโอ้โหกูไม่อยากรู้รู้รวยเอามั่ง แค่ <c oughs> ั่นนะสิเ อ, อ้ยเรากลัล่นใหวยแล้วก็ไม่รู้นะจะรู้เอามาออัสมัยก็จะได้ข้าวสารเยอะเลยแต่ไม่ได้เสียตังค์ในทางหลายฟันดีไหมโอพันสมัยนั้นไม่ใช่น้อยนะพ่อไม่ใช่น้อยอโอ้โหได้ช่วยคนไข้ที่จนๆไม่ได้เยอะสาหารการบริโภคใครกุญ ย, ยาครับเอาเดี๋ยวเงนที่ได้ในวันนั้นไม่ไม่เอาไว้ใช้ส่วนตัวแล้วจ๊ะจะก็กินมั่งใช้บ้าง แต่ ว, ว่าก็าให้เขาช่วยไอ Eyes ้ช่วยจนจนเยอเนี้ย yeah, เขาก็ป่วยนะอ๋อสองคก็บเขาหนึ่งด้วยไม่มีขนมจะกินในของโรงพยาบาก็ไม่มีอะไรรับมาเลยนะครับอยากกินขนมอะไรก็หามาขายถ้าใครอยากกินก็กินที่จ่ายตังให้อ๋อก็รวมความว่าเรื่องนี้จบตอนในย้อนถอยหลังไปอีกหน่อยตอนที่จะเล่าให้ฟังอืมอินิดมันก็น่าฟังเหมือนกันฮอปแมนนี่นี่หายากขายฟังยากอ่ามีตอนหนึ่งขณะที่ยังรับบริการอยู่ด้วยกัน พระเจ้าตากศินเป็นพระเจ้าตากศินแล้วโอแต่ตากไม่แห้งแล้วนอกจากนั้นก็เป็นขั้นการเวลานั่งคุยคุยกันไอ้คนนี้มึงเป็นพยานนั่นนะไอ้คนนี้มึงเป็นพยานนี่นะให้เป็นพยานแง่งก็ไม่มีแล้วก็ใบ ป, ประกาศสนิยบัดไม่มี มีให้เขียนที่หลังเลยเลยชุดเดียอ๋อแต่งตั้งด้วยคำพูดเดียวนั้นเลยเหรอครับชี่เลยมึงเป็นปัญญานั่นมึงเ ป, ปน็นปยญญานี่ว่าไปทำอะไรหรือเปล่าก็รุ่<อ>นราวเขาเดียวกันใช่ไหมอ๋ อ, อการปีสองปีหลัเห็นนักรบมาด้วยกัน<อ>แ้่ต่อมาเขาหนึ่งไปตั้งรับทัพสัมมาแถวกำแพงเพชรสัม<อ>มามันจะมาใช่ไหมหลักขาบพงทีมันมาแล้วแต่ไปตั้งทัพรับที่นั่น ก็ยังไม่ได้รบ ก, กัน<อ>นี่ตอนเย็นบรรดาสิทธาหารเสือก็ออกจากค่ายเนพยาทั้งหมดใั่หมใช่ท่านพยาตัดสินไม่ได้ไปนะแต่เพราะสิทธาหารเสือออเฉพาะทหารเสือไปเวลานั่งไปก็นั่งเสลียงไปคันหามอเพรพอถึงลงเล่าเสร็จก็ขับเสลียงกลับอบอกมึงกลับไปได้ไม่ต้องคอยแม่กูมาเป็นพญากลับไปเป็นหมากลับไป อย่า<ห>เวลามากูเป็นพญาเวลากลับกูเป็นม้ามึงไม่ต้องหงอามต่อตรงไปตรงมาน้โดยๆจะ้ะเลือ่อนยศตัวเองลงทำเีเลยใช่เพราะอะไรมลาบตั้งใจอย่ัดเล่าให้เต็มที่ดิยโอยดีให้ถนัดยังมันว่าสงครามสงครามมีอยู่จริงลแต่ยังไม่รบกันนี่บเารวยๆลูกเอ้ยโชคดีมีตัว น, นจะจ้ะ เออสิบสองเลยสี่องค์สองหอไม่ไงหรอปะอ้าวก็เป็นน้ำว่ากินเหล้ากันสบายคันหางกลับได้ใช่ไหมกลับรันก็ใกล้พบคั่เดิกลับไข่อ้าวกรงวามันจะขึ้นสัวอย่างเลยครับอ้าวกระเหล่งเลยกลับมาแล้ว บอกแล้วว่ากูเป็นหมากลับกูมาไปพยายามกลับไปเป็นหมากลับไปมึงไปต้องหามอหามหมาเสียสักเสียวนั่นมอนโอ้ค่าเขียดรวยรวยนะจ๊ะที่ท่านไหลฟังนะสรบๆอ่าสิบจานเสียของท่านตอนนี้พอไปถึงค่ายหน้าค่ายค่ายเขาปิดแล้วเข้าไม่ได้ผิดระเบียบโอ้อ่ารโยรยเอ้สดีสัสดจ๊ะ หรืว่าหมดเวลาแล้วเนี่ยจะจะเก่งอาจจะได้ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนไม่ได้ไม่ได้เพื่อนกับเพื่อนไม่ได้เวลาน้ำเจ้าตัวกินเป็นปลาชาแล้วถ้าก็เป็นแม่ทัพคำว่าแม่ทัพต้องแม่ทัพถ้าเป็นพี่นายต้องมีในเมื่อเข้าไปได้ก็ต้องนั่งนอนหน้าค่ายเป็นเพื่อนะหันยามโอ้ไม่ต้องนอนแบบสบายครอกครอคลองนะมาด้วยหรือไหมโอนี่สบายใหญ่เลยบายใหญ่เรานอนดีกว่าหมาหน่อย หมาวันนอนสั้นเรานอนยาวรากระดานนอนยาวนะบสบายเลยแนตะกประเดี๋ยวเดียวพอค่ำหน่อยเดียวยามให้ทัญญาณแบบพม่ม้ามาแล้วครับเท่า น, นั้นแหละหายเมาเลยไอ <c oughs> ้พอ่ะม่าเนี่แก้เมาได้ oh. ลุกขึ้นคว้าดาบวิ่งไปพญาพิชัยที่ดาบหักเพราะหยิบดาบผิดไป oh. หยิบแล้วดาบคนะดานแค่าดาบกรานต้องหามาก เดี๋ยดาบพระานางก็เข้าตีข่าศึกนี่พระเจ้าตากสินก็ยกทัพออกมาไฟออกมาแล้วปั่นกันนานหน่อยนะครับทีเราฟั่นกันที่เราสิบต่อหนึ่งของทัพโอ้โหนั่นเผามุมไผ่ไหมพอพระยาวิชายดับพักรอหนึ่งก็เข้าคร่อมช่วยพอช่วยได้ก็ปั่นให้ข่าศิวนั้นตายาายาชใจก็ฟาดับไปนั่นได้ฟันต่อไปอีกโอ้โหที่เพราะอะไรนะเพราะทุกคนหนังเหนียวหมด ไม่รอหนึ่งเจ้ทัพมาช่วยเจทัพใก้ฆ่าศิลป์ก็แตกกลับไปครันี่ตอนนี้ดีนะช่วงนี้เราดีโอ้ไปกินขาไปไปแบบพยาขามากะมามากลับก็ใช่สัตสุพันธ์หมาโอสิบตอนต่อกองทัพใช่หือเปล่าใช่ใช่แต่ความเยีงไม่เยอะนะต้องสิยสุขพระเจ้าตัดสินยกมาช่วยอ๋อีตอนนั้นไม่รู้จลอกมันไม่รู้แบบมากหรือน้อยแบบอ๋อมันเมาโอ ต่ารานีนสองเป็นแม่ทัพอยู medi, ่ด oh. ้วยเชื่อหนังตัวเองและเชื่อวิมือตัวเองก่อนที่พระเจ้าจักสินจะออกไปได้ไอ้คนนั้ตายไปหลายสิบอ๋อเลยๆจ้าโคตรหันเลวมาประทักกับแม่ทัพนี่มันเป็นคนไหวหรือเออและฝาดฝาทั้งขมือทั้งไหนกลังเลยๆนะจ้าอรยมากๆลูกเอ้ยโชดีมตัวน รวยรวยโชดีมีสนนึอ๋อยกมาสานคุณคุณรักคุณรักอรวยรวยโดีมีสนนจ อ๋อรวยมากๆหลวงเอ้ยโชคดีมีทุนนะเจ้าอ้าวรวยรยโชคดีมีทุกคณเอ้ยออรวยมากๆปัตน้าสมหวังทุกอย่างนะรวยรวยนะจ้าโชคดีมีตุกนะ อารวยรวยโชคดีมีตนะจ๊ะรวยมากๆโชคดีมีตัวเลยอ้ารวรวยรวยจ๊ะโชคดีมีตัมากเออได้ยกทรงไอ้สัตว่าข้าบัวจงอยาวว่าใหญ่เป็นสัวพะรนหนึ่งโอ้โี่เรียกลูกชายพระเจ้าตากสินเข้ามาเฝ้าให้รับบริการต่อไป เขาไม่ยอมรับราชการไป okay. uh สร้างประหารชีวิตคนอื่นตายแทนอีกสร้างประหารชีวิตแต่คนอื่นตายแทนโตําราเดียวก็หมดเลยนะหมดเดียนวก็ถึงเมื่อเมื่อพ่อไปอยู่นครศรีธรรมราชใช่ไหมเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชให้เป็นบัญญาไปที่แรกมันจะเป็นปัญญาเลยนะอโดยเจ้า ไมได้เป็นเจ้าให้เป็นพยาไปจ้ะน่ารวยรวยๆ้ะอะไาใกล้ๆลเอ้ยโยมโยมเองจ้ะโ้นี่ตกลงก็ไม่แต่ลูกชายคนก็เป็นเพราะข้าสำเพาหาเงินมาช่วยรวยๆคนน้นสั่งเลจ้ะอะไรจ้ะรวยๆนัอ้าวรวยรวยลงเอ้ยโชดีมีนันจ้ะ อ๋อเลยเซอร์เฟอร์แล้วเออรวยมากๆรวยโจอดีนะปัตตานีสมางทุกอย่างรวยเออเอานี่ามเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผีเล่าไปฟังท่านก็เลยเมื่อสมัยที่มาท่านรือภาวดียังอยู่ตอนนั้นไปกับท่านนะก็ไปถามเพราะว่าในกาญจนบุรีว่าท่าพระเจ้าตากสินยินไหนเข้าพาไป โอ้ของเก่งยังอยู่หรือครับยังอยู่เครื่องใช้บางอย่างยังอยู่เ ข, ขาขเก็บไว้ไอ้อกุฏิหลังนั้นเขาจินมันน่าจะพังไปแล้วแต่เขาทาใหม่ให้เหมือนให้เหมือนเดิมอ๋ออนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ครับโอ้อันนี้สิครับตัวยืนยันได้เลยว่าพี่นายกสอบนายกสอบปลอมตายปลอมนะไม่ไม่ตายจริงๆไม่ปลอมแต่คนอื่นตายเลยเลยใช่ ประวัติศาสร์เขียนไม่แจ๋วเลยนะวยรยยเอ้ยโดีมีสุขผยดจ้าวยยนะจ้าโชดีมีสุขนะอาวรยรวยนะจโดีมีสุขเอ้ยรอประวัาจะหาเขาเขียนผิดไม่ได้โยกตรงนั้นยยนะเขาสั่งให้เขียนแบบนั้นก็ต้องเขียนแบบนั้นอ๋ออออันนี้ต้องนะงั้นก็ นักศึกษานักเรียนเรียนต่อไปก็ต้องเรียนแบบแบบอย่างนี้นะก็ใช่ไปต่อตามความจริงตกหมดรบ๊ายเบื่เจ้าโสฬีมีโศนะ <c oughs> ก็มีครูบาอาจารย์หลายคนจะมาวิาจัยต่างๆจะไปพบสถานที่เข้าระบบประประวัติาาศาสตร์น่าจะเขียนใหม่ครับโอหลักฐานปัจจุบันก็มีครบเลยนี่นะเพราว่าจะเขียนใหม่ก็ไม่ได้ของคุณไม่ใช่เรื่องของฉัน แล้วก็ตกลงว่าเอสิ never, never, never. In ้นพระชนก็ไปเสิ้นประชนที่ทำเอาใช่ใช่เ้ามีปัญหาว่าทําไมยึงไม่ตรัสรกท่านไปท่านเจริลกรรมฐานที่หลพ่อพูดตอนต้นที่ว่าอะไรเคยฆ่าคนฆ่าอะไรมาบ้างไหมของนี่นี่แหละนี่แหละท่านจะเลกรรมฐานอยู่เพราะนายมันกรรมฐานบาปตามไม่ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไปเกิดชั้นดุสิตเลอใช่อ๋อตายจากฆ่านั้นก็ไปเลยชั้นดุสิตเลยอ๋อ อ้าวรวยรวยเ้ยรวยมากๆนะเจ้าดีมีตุกนาทุกคนนะอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าลูกหลานคนไหนใครเก่งมีโอกาสไปชันดุกิษก็คงจะต้องไปเจอจะคงไปคุยไปไหว้ไปกราบได้สบายเลยใช่ครับใช่แต่ถึงก็อยากจะนึกอยากจะเศร้าไปมานท่านอยู่ไหนก็ไปถึงก็ดีเอาจ้ะขาวเจ้าอ้าววยวยนะโชคดีมีตุนาจ้ะ รายมากก <c oughs> คุณเอ้ยศาสนาสมมาทุกอย่างนะคุณนะแล้วเราคิด ว, ว่าการฆ่าคนฆ่าสัตว์ต้องไปนรกแต่เาไปไม่แน่นอนนักนะคร<ๆ>ับอาศัยจิตดวงหลังอก่อนที่จะตายแล้วจิตที่ตนอนจะเป็นก็มี ม, มีมีความดีอยู่ความดีถ้ามันมีเยอะอแต่การฆ่ามนด้วยก็ต้องถือว่าบาปไปพร้อมธรรมดาครับาป แต่ก็ทําเพื่อคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี่สองทำบุญเสม อ, อบุญนั้นไม่ได้ขาดวัดหนึงมากเลยนะครับก็ก<อ>เรียกว่าจเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่ออกจากอไอแต่พงชนบรีไปอยู่นักกรรมฐานตลอดไปเลือ่อยกระทาั่งถึงตายกันนะใช่ใช่โอ้อย่างนี้ก็เป็นอยา่างเลยใช่ไหมพระพระพิจารณาสิ่ง่มีเมตตาบารมีสูงนะ<อ>มีเมียไม่น้อยกว่าสีนัหนไม่เห็นเลยประวัติศาสตร์ลงเลยเขาไม่ได้เขียนไว้โอ้เจ้าทู้เหมือนกันเหรอครับไม่ใช่เจ้าชู้มีเมตตา ไม่ไม่ไม่ไม่แพ้หลวงพ่อรวมเงินนะเห็นเต็มเต็มงั้นเอาเรื่องงั้นเลย n จ้าโชคดีมีจุดนะรวยมากๆจะมาเลยค่้ยๆง่ายๆนะลูกนะปลอดภัยนะเจ้าโชคดีมีจุดรวยๆนะจ๊ะแต่ไม่ใช่โยนจ๊ะ เอ้ารวยมากๆรวยโฆษณาสมบัต n ทุกอย่างนะไอ้โชคดีมีโชครวยๆเลยจ้ะมารวยจยอมจ้ะไอ้โชคดีมีโชคค่อยรวยมากๆด้ยิ่งเงยยาวเลยจ้ะอย่าไปงอแบบนั้นดิเอ้ารวยรวยโชคดีมีส่วนนั้จ้ะ รวยมากๆโยมเอ้ยโชคดีมีตุนตะเจ้าอ้าวรวยรวยโชคดีมีตุนตะเจ้าอ้าวรวยรวยพัฒนาสมหวังทุกอย่างนะจ้าเออ ที่ตายแล้วก็สบายที่อยู่แล้วก็เป็นทุกข์เออแล้วมาเป็นเช่นนี้แล้วในฐานะที่ท่านเป็นอะไรอะไรพุทธมารอะไรนี่อะไรมมอะพะโวติชัดมาพระโวติชัดแล้วก็ได้เคยมีโอกาสมาช่วยเหลือเพื่อฝ่ายวัดท่าทรงปัจจุบันนี้บ้างหรือเปล่ามีอ้าวเขาบอกตายไปแล้วจะมาเจอตอนนี้นั่งเฝ้าวัดอยู่อ๋อไปายามรักษาการใช่ใช่ใช่เพรายืาานปั่นลูกไว้อ๋อ ปัน้นรูปไว้ท่านเป็นคณะวา่าท่านเป็นพระหล่อพอตั้งสองแบบเลยนะหลวงพอคิดสร้างปันเองหรือว่าท่านมาบอกว่าให้สร้างก<อ>็ไม่มีพระทะ่านมาบอกให้สร้างอตอนนี้เวลาเขาปั้นได้ปูนหน้าเหมือนจริงๆก็ต้องเขาติดฝาฝาแต่อปิดทองมันเปล่งแปงไม่ได้ฮะ เด่นตาดูดูไม่ไม่ไม่เหมือนเรยจ้าสวสดีค ok ุณตุ <S <S ๊กตุ <s <s ๊กนะรวยมากๆคุณเอ้ยพัฒนาสมหวังทุกอย่างนะแม้เสด็จได้ตอนเป็นภาพปูณแถ่ายรูปก็ดีจะได้ใช่เพาว่าเหมือนของจริงใกล้เคียงมากเลยเลยแต่เขาจะบอกว่าอยู่ในเก็ว่าได้ปิดท้องให้หมดอ๋อรวยเยจ้ะ โอ้โหเดีมีตัวเออจะจะหัดแต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวจริงน่าจะเบิกบุญดุกดันสวยกับสวยหล่อเฝ้าเหล่าเที่ยวนะ่ม่ถ้าทางที่สันเดินมาหาเขาต้องท่าทางคล่องตัวมากสมศักดิ์ศรีเป็นนักรบไม่ใช่มูงมามึงมาโอ้นักรบไปยื้อญาติยื้อญาติครับไม่ไม่ได้ รวยรวยเออสวดอีเมตตุกะอ้าวรดยมากๆศรสนาสมมาทุกอย่างนะเมตตุกะก็เป็นว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องทาบาปใช่ไหมให้นึกถึงพระเจ้าตรัสสินและองค์ฮีมันเพื่อสุปฏิติตาเทพบุตรคนนั้นอย่างไร้กาดใหญ่รดยโดยเลยจ้ะ อโยมโชดีมีตึกรวยมากๆศานาสมองทุกอย่างนะไปนิพพานชาตินี่นะศาสนาอยู่นี่ใจใเออยังมีเอาเลยฟักไปเลยจ้าอนาสาตุนะจ้าที่ผเข้าไปทางทางข้โอดินโรนาตาตุนะจ้าที่เื่อการศึกษาหนึ่งพ้าที่สร้างคมไปเ ออกจ้ะอ้าวรวยรวยลกเอ้ยโชคดีมีตัวไหนจ้าอ้าวรวยรวยล i กเรื่องเก่งเก่งจ้าลูกแบบโอ้เก่งมากเก่งมากลูกเอ้ยโชคดีมีตัวยรวยนะจ้าอ้าวรวยรย่อเลยรวยมากๆเลยโชคดีน อเออแล้วจบหรื อ, อยังเห็นเพียต่อต่อต่อพญาโถเลยเออนี่ดียวอ่อ่าปลายไปแล้วของความจริงพระเจ้าเสาศิลใครเย็นได้ก็เป็นพระเจ้าแผนดินอ่าผู้เจ็บเจ้าของสีโอ้โวใช่ไหม ว่าไม่น่าเชื่อไม่น่เอเตียเตี๋ยเป็นตํารวจลุงเิ่มเตียกับพ่อเป็นเจ๊กครับแอะตึงหนักเนี่ยเลิกว่าอะไรแล้วพูดได้งงกันเจ๊ะ